ข้อที่29แม้ของอันไร้ชีวิตยังกลายเป็นของไม่น่าปรารถนาเพราะประกอบร่วมกับของอันไม่น่าปรารถนากลายเป็นของน่าปรารถนาเพราะประกอบร่วมกับของอันน่าปรารถนาดังพรนานามาชะนี้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ในของซึ่งมีชีวิตเล่าเพราะเหตุนั้นในอัตถุปติในวงเล็บเปิด เหตุเกิดพวกได้ปิดแห่งทธิวาหนาชาดกพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการอยู่ร่วมกับคนไม่ดีเป็นการเลวก็อสิ่งอันไม่ใช่ประโยชน์จะพึงกล่าวอะไรในการอยู่ร่วมกับคนไม่ดีนั้นเล่าเพราะความที่การอยู่ร่วมกับคนชั่วทำความพินาศให้แก่ชนทั้งหลายผู้เป็นมนุษย์ก่อน แม้ต้นมะม่วงซึ่งไม่มีเจตนามีรสหวานเปรียบปานระทิพอาศัยการอยู่ร่วมกับต้นสะเดาอันมีรสขมหารสหวานไม่ได้ยังกลายเป็นต้นไม้ไม่มีรสหวานมีรสขมไปในการก่อน